ในการที่เราฟังธรรมเทศนาให้ไว้จับที่จับให้ไวจากที่เขาถ้าหากไว้จับที่จับที่เอาแล้วก็ราได้ถอยได้ความเมื่อได้ประโยชน์คุ้มค่าเราคิดดูเวลาที่เรานั่งฟังธรรมเทศนาอย่างน้อยแต่ 20-30 นาทีขึ้นไปถ้าหากว่าเราฟังเรได้เรื่องได้รา จับเอาโน้ต่อใจความมาได้ก็เสียเวลาสิดๆใช้กิเทมันได้ก็ต่างหรือว่าเงี้กระต่างมันไม่นมีวันเอาดอกมันมีบนสลุกดวงข่วงลงไปโน้ต่อใจความที่เราจะต้องเอามีอนหนึ่งนะคือที่พ้นเว้าอกัน่าห์ที่พ้นว้าคุณคกวงไปนั้นก็เพื่อให้จับตัวโน้ต่ออันเดียวให้มันได้ มันมีใจอันหนึ่งใจความที่เราจะต้องเอานี้อันนึ่แต่ว่าที่จับโอทีเทียงจับโอถืกจับโอได้เพราะอุบายสัญญาของเราเบาพอเพส้นจึงอธิบายควงสวงออกไปแสดงควงคูวงออกไปแล้วแต่ผู้คนเราเห็นผู้คนเทศเป็นเมื่อแสดงว่าสรุกรวงเข้ามาไม่จับตรงหัวพอใจขวางมันท่าเราฟังตัวเต็นกับผู้ที่จับรวมทุนสรุก บกุจักรเป็นตวจตัวตรงคนหอท้งมดมีแขนมีขามีหูมีตาไว้ยังไงทางหมาางม ด, ดนับสามชุดสองอารเพื่อตรวจกันอยู่หนึ่งบอนหัวคอใจความบอนใหญ่ที่บอทสำทัญยู่งกว่าเลยสำคัญหมดตัวหัวใจทักใจอันเดียวบุญีสจแล้วกะ เป็นยชน์อีเนี no. no, uh ่ยคือคนตายเมื่อจิตปิญญาหนีไปแล้วในร่างกายนีบทได้ประโยชน์บุญก็ปรโยชนีหน่หนึ่งคือแบบทำมาอีกงลายแบคือแบบต้นที่ว่าตาเห็นนั่นไถยเปคนเห็นทัานก็มีใจที่เห็นนะท่นว่าตาเห็นดะวูได้ยินเพม่มีใจนี่ได้ยินนะหู จมูกูกปุ่นเลี <doch>. ้ยถูกรบว่าแทบว่านัวว <t> ่าบวแทบบวนัวก็ด <t> ีกายถูกสัมผัสว่ายนตอนอ่อนแรงสบายสบายั้นใจก็มีแล้วบุหูจักหาทเพง่นัวขั้เรื่องตาหูจมูกรีบกายแต่แห้สอขถึนใจอยู่ในตัวอันี้อันใจนั้นแสดงขั้นกงขวงขั้นอธิบายงขวง เรียกว่าจักสุญญานโตต้าสิญญานฐานะอินญานสุสนรูต่างตาทั้งหูทั้งโฉมทั้งร่างกายั้ใจนั่นเองอย่างที่ท่านแสดงออกไปอีกใจดีใจเครื่อใจเป็นบุญเป็นบาตรเมื่อตายเห็นสิ่งที่เปนดีกิยความเพื่อมวลเกิดเพลินเพคิดถึงบุญเมืุ่ณสอยากสร้างบุญเมือคุณมใจดีใจเป็นบุญนมื่อคุณมอางน่า่ก็ไปซอยไปจักไปจนละเอียดลงไป เราก็ได้รักจากหลักได้แต่ว่าใจเป็นรักใหญ่ในตัวของคนเราในบาลีพระคาถาพระเจ้ากับเพศศาสนาไว้มโนกพังขมาธรรมามโนเสตานมโนญาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สําเร็จร์หรือใจถุงใจถึงก่อนมีใจเป็นประเสริ นำดแล้ว me, mm. yeah. ุจจ yeah, ัตขึนเดือดเทอนะอย่างตั fine. ้งอีกอันนี้ท่านร้อไปมันพิจารณเครื่องผวงบพกาเราลืมลักมันกถ้าเจอเขามาเสียอย่างหนึ่งท่านเสียเรื่งนี้เรื่องเสียท่านร้อยเมื่อที่ปรเกอบใจท่านกเสียเรื่องไหนอีกเขาสนานในเรื่องเสียงอะไรคนเขาเกิดขึ้นมาแล้วต้องหากิตสนานาิษณุนาแลต้องหากินทุกตการหากินเพราะไม่ตัองใจท่นให้นานหร เทสหัสวนสหาิิ์ทไทยเนาเทสตัวหัวสวนสหสิทธิ้าขายสหสิทธิ์ทำน้าจการสหาิิรับจ้างสหสิทธิ์รวมพลมาบนหากิทธิ์แคย้งก็เรียกว่าหากธิ์ในรวมพลข้างบนนึ่งสหสิทธิต้องการกิทธิ์ที่เร่งจะทำมะน้อยยงแต่ว่าตอหาดวงวจ มารวมมัก่อนอันนี้กินด้กินว่าแรงกินนั่นจะต้องการลดชาตุมวยจักเสร็จจักเเ็นจักหวานจักเทีเท่ยวมวยจกัจกแสบมูจ้มจกักรปวดแสบท่นบอกมจักรลดาติมู้จักเสร็จเ็นหวานเสีมันสงบเโยนี่ธรรมะต้นสูดมากมายสมาลวงกิู้จักอันนี้นะ่ะ ก้งหาบว่เข้าใจได้บว่าเข้าใจในเรื่องคพูดใจอย่างไรบว่เข้าใจคือเรตํางสนองมาสมบูรณ์รถมีธาตุเหตุนั้นจริงว่ารถธาดเป็นของทร้งคันรวมจะซ้อมหาอยู่นะกิมไม่แต่เกิดเพรามือตามีข้อหมายเพียงว่าเู้จักรถธาตุเขจักรถธาตุองพูดจนสบายนานก็เรียก มีโอชารสชาติในตัวโอชาคือความสุงสราเมันสุนทาเข้าไปอ่ยังก็มีเฮงโอชาที่ความสุนทราร่างกายสุนทราไปทั่วมันกินเข้ามาที่ละโอชาที่ความแซ่จะสุนต้าไปทั่วทั้งร่างกายฉ่นนั้นต้อมีโอชามันปวดสุงทราเพื่อจะมีแส่นั้นก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย ธรรมมเพื่อเป็นทึงว่ารวมมาอยู่ในใจหัวใจนั้นกระทั่งหาว่าบุมีความรู้ความฉลาดบ่เข้าใจในเรื่องธรรมมมันตัวมีโอชาสิมีเรื่องการทํามมาเพื่อนอ้ามาเสียบให้สัง่งคือเรเช่นอย่างที่อยู่เพ่อนอยังเสี่ยงกันให้สัง่งเพื่อจะให้สรุปรวมควาเข้ามาอยู่บนเดียวทำให้เห็นความสําคัญในู่บนเดียว ธรรมะโดยแวงเมื่อถ้าเราฟังธรรมหลวงรมานี้บได้แ่ผมไม่เห็นธรมือพ้าฟังธรรมถ้าหาัหลวงประามาณนี้ก็ได้ก็่ได้เชื่อฟังธรรมบูติตนึกว่ได้กวางการปฏิบัติสมานจะต้องการจะสัรวมใจเรียกว่สมถธที่ให้ใจสงบ เหวิธีที่ใหเกิดความสงบนะหลายเยอะเรื่องหลายอย่างหลายไหนที่นั่นแสดงว่านีสี่ิบอย่างแล้วเลือตามประสงค์แล้วลืกถึงศีลแล้วเลือกถึงความตละจาคะละเลือกถึงวุ่นกุศล ท, ที่เราสร้างรวมอกลมแลกจและก็แ่ชีพมาให้แก่เทไดาโยมพรมี้งตามเดกัน คุณดีแล้วคุณงามควาดีส่นวนหมดเอามาเป็นเครื่องละลึกขันหาว่าเราเอาควดีมาเนี่ยเป็นเครื่องละลึกมันโอยู่ที่มาจ่าความดีนะครับเป็นลึกไปถึงมาจอย่างาพุทธาเสตียเปถึงคุณพรเจ้าลวลึกส่งไปถึงพระเจ้าที่ท่านเกิดอยเมืองอินเดียท่านเป็นพระเจ้าจักร ล, ลูกของท่านเ้าเจ้าเราลึกดีเอนกันจิตนั้นอยู่กับมดี ถอยู่กับความดีมันเบ่อนด้วยใจจิตใจบาห้อนเงินยนสงบนนะครับสงบตอ น, นอี้อันเดีย ว, วยมันอยู่ันเดียวทุกย่างสมาธิ ส, สงบตัวปายขาสวนสงบต้นข้อหาสวนสงบที่เรียกว่าสมถ ท, ทั้งสี่ทิศนั่นแหละถ้าห่ากสงบอะไรก็จะเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าหางเราจับอันนั้นหนึ่งเคยมา เมื่อพิจารณาเส้นพิจารณาความตายยิดมนสงบนั่นก็ใช้ได้เรื่องพิจารณาสตสติอารมณ์รู้ึนลงให้ใจต่อออพิจารณามใหใจต่ออก่สงบลงไปได้นั่นก็เป็นถากมันก็ถูกทางแท้จริงพิจารณา่ในดมันยังเป็นเรื่องยึดงายถ้าพิจารณาเรื่องความตายแล้ว ยิว่าสงบและก็เนหัว so ด no ือเจแบบจิดยังไพอพิจารณาท่านก็ายหมดทั้งทางเลยไม่เห็นความตายของเราเนี่ยจะเกิดดว่าเมื่ออื่นไมเจะตายเอาละถึงจะพิจารณาเราอื่นม่เหจะตายก็ามเห็นระยะมันตายเมื่ออื่นย่ายมันตายมันและพิจนาไปไหนยนี้จะหมดจะสิ้นโดจะตายเลยแต่ยังน่าะดิ้นรับอยู่ คนที่พิจารณาที่คนตายนี scream, ่ยมั ਆ, ่นใจมันจะได้รู้เร่งสร้างผลงาสมดีคนพิจารณาที่คนตายโดยฉันมากมันบ่ได้ให้ขมสวดอะอย่างวิยะเราตายเมื่อนี้เมื่ออื่นเยอะจังคุณไปหากินเหล่าเมลูลาสีน้อยคนคุไปหาฆ่าไม่ว่าเบอตายสีน้อยคนเดียวเดิมาก กาพิจารณาไปถึงความตาย ย, าา ย, ย่างสายไมนมีอะไรอื่นจะต้องหวนมาถึงส่วนจะตายอยู่ทาเขาอยัางนี้กูตายอยู่แต่รับก็าทาเม่อเขาอย่างนี้จะทิ้งเราเมื่อไปาอย่างนี้กูพจะตณาไมีอื่นจะได้รีบรับผลส่วนเบอรมากเป็นองี้ยที่นาาคนพิจารณาเปนความตายเพราะฉะนั้นความตายยังในช่วงมีประโยชน์ผู้พิจาณาเป็นความาตายก็ต้อง ละคนชั่วรูบายให้เดวาสงบคิดพิจารณาด้วยควตายนักสงบแรกมั น, มนก็ถูกทางก็เลยจะแ่แวดแล้วรานสี่จีูกต้องราหลายอันแล้วก็พิจารณาละอย่างพิจารณาด้ความตายก็ถึกแล้วเขาต้เข้าหาหาจุดเดียวทึ่ความสงบแบบนี้เรอุบายในการที่เราจะภาวนา ถ้าหากว่าพิจารณาใด ก, ตในในกต็ตามปฏิบัติอย่างไรก็ตามตามแนวใดก็ตามข้ามันสงบไปก็ถูดดถ่เหตนนั้นจริงว่าการสังเทศถ้าสรุปรวมไปรวมได้มีอันเดียวลงถึงอันเดียวได้จึงมันถูกทัถานสอนใีอย่างสอนให้เราลักตัว เราฟังเทศตังคำทิกจักบ่อนรวมคือบทในเราละส่วนแล้วก็พิกดีนักสมาธิภาวนามากมายหลายอย่างร้ายอาการถ้าหามาสงบได้ก็ถูกมาสงบมาได้ก็ถูกอันนี้ปัญญาละบัญจะเลเรื่องกนตาม จะมีปัญญาฉลาดเกียดติแรงด้วยกับการในเอกสารถ้าหาระสนสันสวก็ได้ตัง้งตะปูปัญญาเฉลียวฉาดพูดจาพาทีแหม่เพื่อนปากฉาดฟังสะบัดันพูดจาสิ้นเลยมีรักมีเจนเหมาะเจาะหน้าฟังหน้าคิดหน้าพิจารณาฟังเป็นผลที่สุดตัวคู่สู้นั่นและ ตัวพดอธิบายเนะละคนขั่วไปได้ม่านกนประโยชน์เสร็จแล้วผู้อื่นก็ฟังได้อธบายปัญญาเขาไปใช้ีประโยชนก็เป็นปรทั้เงตัวผูนั้นบวได้ประโยชนี่ยจากผมรู้เองนั้นปัญญานั้นถ้าหากว่าฉลาดเจียดเหลืองละคนขั่วได้คือพูดบางคนฉลาดโกงเขานี ฮชอ้ะโรงเขาไม่ได้เรียมห ล, หลอกลวมเพราะอันนั้นมันรูดสูกปัญญานั่นพราะกุเรีเจ้าคงเรียกว่าปัญญาเรียกว่ายึดที่เป็นพูทโนอัน้นพุทโนั่นนั้นมันไม่ใช่ปัญญาคนฉลาดมันเรียกว่าคนอันพภ า, าคิดรู้แล้วนั่นแย้งทา ก็เสื่อนตทรมดีแน่นให้มันเสือ่อมสูนไปโลกอยู่ที่จะทำดีแต่บ่อยงให้รูป า, ายทานนี่รูายตลาดน่ะไปทำตรงชั่วตั้งหลายจระการอย่านั้น่ะโลกมากอย่างโบราณถวัตน้ํารมหุงเอาตกก็รอดมนเข้าสำนานนั้นนี่ว่าธรรมะคำสอของพุทธเจ้านั้น อาศัยปัญญาพระพุทธสหมดส่วนแตก็อาศัยปัญญาเพราะว่าทีเจ้าท่านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างร้สิ่งใดละในสิ่งนั้นรวมโลกนั้นเกิดจากควนเที่ยงเสมอยากเรียกว่าโลกมันพอเรียกว่าโลกนั้นดวงวิญญาอินจะพอเรียกว่าโลกวิญญาณเทียมรู้ ม่โลดตัวโลกเป็นเป็นทิศตัวโลกเป็วันบระอานี่มันสกดสวงเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโทษมาแล้มีเรื่องของสมรสคิดขึ้นเต่นี่ขึ้นสมรสนี้เด็สละสละสมบัติสมฐานบ้านเรือนสละพ่อแม่พี่น้องสละลูกสละเมียนั่งท่านรู้ว่าตัวโลก ดูลาดหอยังเดีวตวสอบขวักรธมันเขาผ่านคนอื่นขวกรธมันไม่ได้เขาคนอื่นนี่เขาคนเองราเองจะโกรให้ลูกให้หลานจะตามเปิดให้หมูเขาชวนจะตามส่วน้พี่น้องให้ลูกให้ผัวให้ลูก้เมียจะตเขาก็ังโกดแบบมันโกรดเราที่กว่นี้ ตัวเรากลักนคน่าจร้ออึงเยนังเช่าเั้อยู่ตาอยู่ดงนี้ค่ก็ไมจ๊ะแล้วบาที่ดเกิดเขาเลยมุดพ่อควายใจเขาเผาพวกเราทีกอนอันนี้เขาเผาแล้วนี่ไปเห็นนาตาเขาเขาจะเผาเขาติไปด่าไปแฉไปถูไปเชิงเขไปทุบไปตีเขาแพมาเสียมันก็ไห ธรรดาไฟมันต้องใหม่ที่จ้ของอยู่เจาของนี่ใหม่จริงืองเบ่งแจงหัวไม่ขีดไฟมันเกิดแต่หัวเล็กน้อยเดียวน่ะจ้าขึ้นมาเผาหัวเล็น้อยสมมแต่จะผาฟ้านี่เผาลูปคนตอนนั้นใจกับลูกหลานเด็น้างมีเชื่ออยู่ใกล้กับลูกหลานแติที่นี่เชื่อแฝงกับตามที่บ้านจิตเงอนลูกเขา้านเสมอเขาผูกกนไปหมดเละ เขาไม่แห้งเลยโบราณเขาไม่สดไม่ดีสักน้ำมันเล็กน้อยก็เกิดแห้งก็ตอไปเพื <independ ents> ่อชุบสดของขวดมันสดขึ้นในตัวของเราเลยกับเขาขึ้นเองต่อโบได้เรียงข้ามเดือตาด้วยกันใดๆเขนแล้วก็สดมะทีงว่าน้าข้ามลาหมายความว่าน้ำเพียนมันแต่น้ํโบราณเรื่อง ผู้หวังดีเมตตาป่าถนะใจแกให้ดีไปไดนย้งไงอะไรมัห้ามาตามมาต่างมาเตือนมีตัวเตโสดแต่นัดครู ม, มาเห็นโทษท้องควงโทษเป็นฟืนเป็นใสไม่ตนเองอย่างนี้แล้วที่จากรกตนสดนะครับเห็นโทษทักแหนและอดโสดโสดเ่านยังไงมันไม่ด้สองอย้ง อยู่ก็อยู่หาไฟแล้วไม่ตนเองเผาตนเองนี้็งบเองอย่างว่าสั่งแล้คนอื่นเขาไม่รู้จักเลยแล้วก็เยู่คนเดียวเขาเร่มเอาต่างแต่เขาหารู้สึกวลาสุดเลยผู้เพื่อนเห็นโที่ย่างเช่นคนใจอ่อนเดี๋ยวท่านจะละสงสัยนั่นคือสงบเองเผาตนเองกินงลุจุดนอกจากจะเผาตนเองในชาตินี้แล้วถ้าไม่เกิดควาคิ คิวพันนาตาตัวบ้านาเบิ่งชัดหน่อยแสดงถึงเรื่องขนเปิดของคนเอาถึงเรื่องหัดน้าหัตไหยวัตถุน้าหล่อเลี้ยงหัวใจน้ำเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจหล่อหัวใจขนเปิดขึ้นมาน้ำเลือดมันเพิ่งออกมันริ่งออกจากหัวใจคือหัวใจนั้นเป็นที่สร้างเลือด เลือดบอดีไหลไปมาจากเพื <philosophy> oku, violence, ่อธนาารกายเพื day. ่อเลือดของคนอันนี้ไหลวนเวียนอยู่ดิไหลเข้ามาเลือดบอดีบอดดงมันเป็นเลือดกล้ามเพราะนั้อยู่ชื่อๆกัทีมันเจียบป้าป้าไปแกะหน้าหน้ามือมีอตัวมันเจ็บมันมือนมึนจากอันบอกนเลือดอันบอดดืนเลือดมันกล้ามมันบกใจแล้นก็เขอไหพันยงามไหลเข้าไปอางหัวใจอันนั้ ไ่ว่าดหัอใจอ่อันหัวใจมันมันร้อนดีดนทร้อนมากตรงดุเนี่ยห้อใจเพราข้อไปห้ามมันควมร้อนมันเผาเลือดมันขี้มันติ็ก้อนในเลือดมันบวมให้ใสให้กระจายเพราะเลือดแตเลือดกระจายมันกันแล่นไปตามเส้นเลือดเรียงขั้วนมาทางตายเมด่แล้วมันก็หไหลว่าเรียนจากที่ไหน น้อใจของสารต่างๆเราจะเก็บพากันเห็นตัวเช่นเลือดน้อยใหญ่ผ่านน้อใจมัดบวบหั ว, บบหวมันออกไปในที่ต่างๆมันจะไหลออกมามันจะน้ำปลาฝาร้ายแห่งหลายเหมือ น, น, นมันออกไปกับถังไปตามพ่อใหญ่พ่อน้อยไปตลอดเมดคนเกรธ น, น, น, น, นั้นเลือดมันจะดาปี้เฉยเลยมันจะฉีด เลือดดำๆมันจะสุ่งออกไปตามทางสายเหตุนะมันจงแสดงริแสดงสาดที่หต้นตัวดำแดงมดแบบนั้นเรียกว่ามันเผาจึงว่ามันติบโส่ขงนันเป็นโสดของขนาดนาสั่งจหน้าตรงโสดอยู่ก็อยู่เอาของโสดเอาของโสดมาเผาตัวเองเอาไฟเผาตัเองนี่ประโยชน์ยัง ไม่เชวเป็นคนดีอะไงเลย้าทังตัวตัวอยู่ก็อยู่อาแฝงเอตัวเองกับบ้าทั้งคนเลยไม่มีประโยชน์เลยคนดีแตต้องเอาแฝงอาเผาตัวเองอยู่แล้วความสงบเยนพอไเห็นของเกิดเท่านั้นเห็นเท่า้นก็ละได้ทันทีเลยยังมีระเบิดยอมพิจารณาดีลงละหด้ ว่าจะเนดีก็ขอราำไสว่ารุ้นสูงก็สวน้่ำไปแล้วจะตนาดเขียแดงก็ขอเ่งกล้าก็ขอ้งนันนี่เลยก็ยอมพิจารณาทั้งเของตพมโดริสงบบ่ได้ถ้าเมื่อมสงบบ่ได้ความโลดสงบบ่ได้บ่เห็นเทิาขงคมโลดสวามโดคือตัวโมหะลุชาดีดีนั่นเองความดอรู้ สุดโมหาวิชาที่ดีเหนั้นแปงว่าเราต้องใช้ปัญญาทำคำสอนไปเลยเจ้าข่าวิปัญญาเข้าไปพิจารณาด้วยไปที่จะไปเห็นเรื่องทั้งหลายนี้แหละละกินเลยปัญญายุสิเสศีอ็ได้ใอย่างปราศเสนาบริสุดได้พระปัญญา พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านละไปละไปทินไปเทิมไปยอมละทุกอย่งนัดไปแม่ที่สุดตั้งแต่ความรู้เทียพธเจ้าท่านพระองค์รู้แยกเห็นจริงไอ้จิงั้งหลายนั้นพระองค์สมบได้ยึดมาเป็นอํานาจว่าชนาว่ากูรู้กูเก่งกูฉลาดเสยแล้เกียรติแงแต่รูดรอได้ยึดเลยความรู้นั้นน่ะไม่ได้ยึดมาเป็นผนเป็นตัว ตลอดว่าก็าเป็นกับเครื่องมือนี่ทาที่เราไมาใช่นั่นมันพล้องเหมือนวา่าเขคงมาลักลอมันคนนี้ยทางป่าทางรถถ้ามันเตียนหลักท่าสมมตอันนี่ท้านั่นมันเตียนนั่นเาจะทางเตียนกระชีดนะฮะล้วก็ไดเอามาแตกเราได้เอามาถือว่าตลอดว่าท่างเป็นรุ่งหรอกในที่ใช้สืหลังก็ไปใช้เพรานมัเถือว่าเป็นตัวของน ผู้ี่เชืลวถือว่าไม่ธาเป็นตัวของผมแต่ถือ่เป็นเคื่องมือเครื่องใจปัญญาของพระองค์เช่นนั้นอย่งหนึ่งอบรทุห่หัดคิดทัด พ, ดพิจาราหัดค้ัวดังอธิบายมานนี้แหลให้เห็นโเห็นผึ้านึ่งี่เห็นโทษเห็นภัยข้งนึ่งทีถ้าแล้วก็เรียกว่าเราค่ะเถา ม, เ, าถามเข้าใจตามเป็นจิงนะคบ่ได้ยึดอไม่มเป็นทตัว คือวาเบอร์ามายิดมาถื่อเป็นตนเป็นตัวแต่เราก็บิดินเรากพิจารณากันอีกบางคนนั้นในควรู้ควาลาดแล้วก็เลยอยากให้เป็นในเช่นล่ามไปอันนั้นเนี่ยเขาจะยึดติดแต่ยึดเอาเถือเท่านั้นที่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจลราฉลดเยอะแยะยังทำเป็นในสัตว์อันนั้นในที่เถือถ่อผลประโยชน์อั น, นัน<ม>ว่าเราขาเราถัางมันเทียนเนยยัมทเทียนในเช่นล่ามไป ที่น่นาดท่านเอาไปนะว่าท่านเนะพ่่านรักษามี้ท่าเพื่นทีไร่้ำมันคุ้ม ค, ค, คนก็คุมกับรับสิได้มันโรคมันอินทุนไม่เห็นสถาฐานอีกขาเยอะก็ตั้งมันเตีย้ยนมันลาดไปๆคุดอีกไมัเหลือค่คุดนะสิดแช่แต่นีดใช้กอบใช้เสียอีกคุดท่อนลาดของาาคุณคุณต่อไนะจนลือเช่นจนังมด ท่นันนี้ก่าจะจะห้ามเตี้ยนนล้่านล่าไปแล้วจะเอาแต้มันเตียนมันี่จถือบอกเกิดเคือการอบรมทุกบผลยิตลักษณ์เกอาศัยปรมาทําโกบกมานี่แหละเท็จเท็จตายฟังกระตุ้นเข้าใจส่วนบางฟังเทศจถ้าหาวจักบ่จัดก็ได้ถอยได้ฟ้องก็วันนี้ไปหนน อย่างคนเทศมหาชาติคืเทศผลิตแต่มื่อน่าะเสียงเคนแต่มอลจะสันวนคนบางคนนั่นเวลาท่านพูดท่านเทศเสียงอ่อนเสียงนิ่มเสียงนวลเสียงอ่อนซอยนิ่มนวลว่านางว่าสีอะไรอาวองคิดทอดลูกทอดเจ้าลูกเจ้าพัดคอพัดแม่ไปกันหาสเลยในความทุกข์ความจน ถามวันทับผมเห็นแล้วมันคิดถึงเรื่องคล้ายๆกับว่าลูกของเราแล้วก็คล้ายกับว่าตัวของเราเป็นไม่สนเอะใจแต่ขอจะตามออกจะตั้มอะไรลองให้ลองโหงตมตั้มมันก็ดีอย่างหนึ่งให้เกิดสอนตลอั้นเรศแต่พอเป็นเครื่อนขัดเกา่ากิเลสให้รู้จักใจขึ้นใจโตกลาดีอยู่อันขนาดนาั้นเรียกว่าพอได้ให้บถูกใจ สมก็สมใจกลางยู่แค่ตลทั้งเรื่องทุกอมตตาเนียน้อยเนียสาวเอ้ยฮักเนีสนที่ยอมจะลทุกสิ่นทุกอย่างความทุกข์ของพวเราเพราะหลงกับนี้นี่กับเ้เสวนที่ตายแล้วก็ยังหลงมาพูดสาวน้อยอยู่พกเนียสาวอยู่กวกม้อนเพลินหลงทุกสุดกขมากอย่าง ก็เห็นอาจารย์ไปฟังอาจารอกจะซบมวนขึ้นอจารย์แนนอยู่เห็นคีเดตขังคือเถาคุกเกศอันเป็นสิ่งคีเดตสัญหาเป็นหน้าสมสารเป็นหน้าเบื่อหน้าหน้าเท่างให้จากคนเจ็ดตายอันนี้หนึ่งเนี่ยสามไม่ต่ดีอย่างนตงใช่ครับเวลาถูกๆกัฟังวันข้ามคืนห้องอา้าราหาแลรวสรุปเราเจ็ตส่วนแล้วก็ม่มีว่า เราเอาแต่สวดเก็โดยเฉพาะเงสิทธิเดยวกันท่นว่าสวดแนท่าบําเพ็ญบารมีมากมายแค่ไอ้ธาตุเดียวเท่านั้นจะได้เป็นพระสุทธเจ้าทานตายเนี่นัแล้วไปสวดสุดดูสิทคารรับยังหันมาทำน็อกสวดจนสิทธิธาตุนั้นได้เป็นพระพุทธเจ้าไป้ท่านบําเพ็ญบารมีอัมม่าส์แล้วที่พระท้าที่พระมาที่สวดจนสิทธิธาตุนั้น ากาฆัสรานีมันเป็นประโยชน์แก่โลกร้ายพุทธคุณเราเป็นนักนเนี่ยฝายถนาอยากจะให้มนุษย์ชาวโลกได้สงบหวังตะรู้าสตทั้งหลายพ้นจากโลกนีนเี้ก็เห็นเขาเป็นทุกข์เมื่อเนด่งมีปัญญาสามารถจะรู้จศาตร์ในคนใดทุกข์ได้ทนมีในเรืองจะให้ทานในส่นนากทุกข์ชั่วคราวไปก่อนนันเนี่ยควงประสงค์ให้พุทธจ้าขอญ่ใหญ่ควรคือพเวบำเพ็ญแลกมีนะท่านบำเพ็นทานมีคอยหญ่ในเรื่องลังสิ จุดสำคัญดยว่บ้างทีนั้นบางเพนฐานจงกระทั่งชาวบ้านชาเมืองลังเจียชาวระช้อพระราชธิดาค์ับนีจากพระราษฎรวางนีจา ก, ราจากพระนครจะอยู่ในป่าในดงดอกท่านบรมยอมเดือดร้อนเป็นทุกข์ดีใจสักจะได้บันเทิงกับผมอาจารย์ทุกบวชอยู่ที่สิงหับนโกเชียระกษาคิดไม่ดีดน่ะ เนี่ยคณะกอบกู้รวมรวงเล้ว่าในเรื่องมหาชาติแล้วก็อยกจมีท้ามีศิลป์มีศิลป์้นสายส่วนศิลป์เนี่ยสอที่สุดคุณกรรมีพระเด้รได้มาเป็นโพธิงานอีกกระปวดคนบวดดเขาก็ตัองเชื่อเชิญเข้ามาพนะกครจกคองไปขาราษฎรบาเพ็ญโดยมีโดยชุบือีกต่อไปที่นี่อ้ะเอามาแล้ปีน้อยมันล้ว ว่าไป้นเพราะหรือว่าไป็นเพว่าเป็เพราะคู่มักสวยมังามแบ่ว่าถ้าเรื่องงามมัดซีโอ้ยสดสวยงอนงดงามแสนทุกจะหาออกมาเปรียบเทียบได้งามนั่นคือสิ่งหนึ่อย่างแต่งงานจะยืนจะเดินไปเหินจะไปจะมางามมัดคู่มักงามแต่ะม้วนกับกลมงามเลยนะคู่มักเที่ยวป่าแต่ละม้วนกับจุนตะพันมหาตะไนหัวนกหัวไม้ป้ายกเที่ยวป่าเที่ยวไทยิดสวย จำนวนของนักเขียนนักแต่งสุดตลาดคไปฟังฟังเรื่องเล่นเล่านั่นแหละว่าทุงเรื่องนกใน็ปลาว่าเรื่องปลาในน้ำปลาแม่นจืดก็ไปเล่าปลาแมํนเค็มก็ไปเล่าว่าสมภต่าอ่ไรนั่นจือปลาจะไปเล่าให้หมดปลานั้นจืดไปอยู่น้ำเคนมเม่ไหน่ปลาแม่นเค็มไปอยู่น้่ไหร่แต่ท่านจะเล่ามัดไปรวมที่ไหนให้หมด ปนตาหังเป็นได้ยังหัวขับขันอี่เงโอ้คนบอกเข้าใจแล้วมันเป็นในสั้นอีเนี่ยคประสงค์ของการเทศกวเทือก็คือการเรื่องใดก็คือการล้ำไดคือกันอย่างที่อธิบายธรรมะฝั่งนี้กันจุดประสงค์ในการฟังธรรมเทศนาคือให้จากให้ใจเขามันรวบรรวรวมให้มันได้ อันนี้ในการที่เราธรรมะทั้งหลายทั้งซงมันมีพิมันมีเบื้องตัวมันรวมขึ้น อ, อยู่ในเรี่ยงอยู่ในข้ออนเดียวบ่อนรองละาการปฏิบัติขึ้นอยู่บนละละคำสวนฟังแล้วหัวแจงได้เราก็ปฏิบัติก็ได้ผลหัวแจงจบแล้วเราก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ลักลาได้แล้ว ถ้าตัวคนรูร้ความฉลาดไม่มีปัญญาผู้ตัวอย่างผู้ตัวจักรู้แจ้งเห็นจริงและลสิถ้ามีปัญญาก็ตัรู้แจ้งเห็นจริงและละสิ่งไปดังข้อใหญ่เป็นตัวการที่ปฏิบัติกระสือสารละกรรมฐานสี่สี่ที่ขึ้นคัดแต่ภาวนากันหมายควไม่ิดรวมนสมาธิคิดเช็นสมาธิคิดอยู่อันหนึ่งเมื่อคิดอยู่หนึ่งรู้แจ้งเห็นจริงใ น, นิีเดียวแล้ว ค่อยอธิบายไี่ยก็คร่งออกไปอธิบายตรงเื่งไปมันล้วนไปออกจากอันเดียวทนั้นถ้าหากมีอ nah ันหนึ Have ่งแล้วมันตรงนี Hopefully ้สองนี้สามดังเคยอธิบายฟังแล้วไมนต้องออกจากหนึ่งก่อนงั้นตนี้ตัวสามสี่หาืองนี้สี่สามสองหนึ่งตรงนี้หละนี่ตหนึ่งสองสามสี่เลยครับอาการนับก็ต้องเป็นที่ล้วฟองว่าเรจะออจากมันมคือการ พ่ายังวันโลกในตอนที่จะ เ, เกิอดกี่เรน่ะท่ญญานอธิบายถึงเรื่องโลกเรื่องพระมรรมกับธรมโมน้ํทานว่าวมดวันนี้พูเรื่องนี้ไม่พุกธศาลากาบมน้ามันท่วมบททางโลกเ้ินน้าที่มันฟองอ่มันทองมันเป็นรองตีฝาเปลาผ้าเป่ามันเจิมขวดอันนั่นนะ่ะมันเลยเป็นฟ้อนในกําถัวอนั้นเลยไปตระทบกันแล้วปเปรื่มังค่ารือวมัง่า จะส้วงน้ามันรั่เข้าเลยกลายเป็นก้อนตัวใหญ่จนท่งก็เป็นฟื้นแผ่นดินข้ออธิบายออกอย่างเดียวนีแผ่นดินยัไงตวกออกไปอย่างนั้นจะตรวงน้าที่มนองฟองน้าที่มันตีกัเทกันมันไปจับกันไม่อยนั่นคนนันจะเกิดเชกันตอนที่จะเกิดได้แค่เขาได้สนธิงานันน้อยเสียท่านก็มาเสียดนะจังหวะขนใน เกะคนเก้ตัวอ่อนๆนะคนอ่อนๆน่ะเราจะเอาขนมขอน้ำขนมามันจุ่นเม็ดงาเอาเม่ดจุ่มน้มันงานแล้วสลัดแล้วจะเก็เถ้าที่มันยังเหลืออยู่อันนี้นอยเดียวน่ะขาดดินมันเป็นขาดดินที่ยังเหลือติดอยู่ปลายสนใจ้จาไม้จุ่มดที่วาในน้อยนั่นะจิตวิญาณไปเกาะแล้วมันงาที่ยังคิดอยู่ ในขนตาจางจุลินแล้วก็ต่อเน้่อมาแต่ค่อยประเพณียาวมาได้อันันน้ำมันเยอะน้อยในตีนัันเป็นเลือดในกายมันก็เป็นเลือดเป็นเครื่องเป็นของเหลวมันเป็นเมือกมันเป็นกระละลากเป็นเมือกต่อมาก็ค่อยเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดตากจางๆต่อจางๆจะเป็นแค่เส้นขาเป็นหูเป็นตา จนกระทั่งเป็นอาวัยวะครอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากอัเดียวเองอันที่สองอกมาจากอันเดียวเนอะคิดออกมาจากดวงเดียววัิสนขที่ดวงเดียวคิดอันเดียวเพื่อันเขาอยากได้่นอยากแค่นี้อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ถ้าราพักตัวอย่างอย่างนี้แห้งนี้ซ่านอย่างนี้ผอมนี้คลองอย่างนี้เงินนี้ทองอย่างนี้ง้วนนี้สอย่างนี้รถมีลามีมากนี้ได้ไมเอาเราจะจิกดวงเดียว เม่คัถ้าหายว่าเราเป็นรูก่อนเดียวเห็นอยู่ก่นเดียวนมื่อสิ่งนอย่างนั้นเอ้ยมันกลวมันโฉมมันสบายสิ่งทั้งหลายมันโฉมไปอยู่แห่งเดียวอันนี้เราหาจักรูขึ้นรูเหวี่ยงลงบนโถงเจ้เกื่อนทียิ่งไปจับไปแสดงในมคร่งส่งก็ได้ไปในไก่ไก่ก็มีขอบเกิดเกดนั่นยังว่าหลงโลกยังว่าหลงที่นี่เทศนาข้าวโมทัณหาหลงสี่ก็เปน เมือ่ขอลขลาสิเดี๋ยวจะมันผีดท่านเป็นาระอาหันต์ที่เ็นหลวงอะไรคนเทานี่แหละเป็นคหลงโมฆะคือคนหลงน่ะนะเห็นว่าเรื่องของโมฆลาของคนไอ้ผู้หญิงมันโบแมนโมฆะขลาโมฆะทือคนเรานี่ยนะเป็นสุลหลงทุกเฮายังหลงอี่เนี่ยเราบอกของโมฆะขลาท่านผิดหลงอย่างไหนว่าเป็นพระอรหันต์อาหารไปติดโทษติดก่อนบอกนันโบแมนนี่แหละธรรมะที่แสดงมานีเนื้อความสรุปรวมมีจุดดังอธิบายมานี้ เะ่นั้นทุกคนให้พากันขนใจได้รบายปัญญาทีนึงให้ถึงจุดอันหนึ่งยั้งยั้งใจมันปีจุดอันหนึ่งถ้นว่าถึงจุดอันหนึ่งแล้วจะจะไปเสื่อจะจะเข้าใจว่าเป็นปฏิบัติจริยธรรมคือกันฟังเทศฟังธรรมด้วยกันถ้เราเข้าที่จุดอันหนึ่งก็ได้ทุกท่านอบรมโฆษณากรมฐานถ้าบทาถึงจุดอันหนึ่งก็จะเข้าใจวามันถึงินบราณเรียนเ มีความคิดสวามเห็นโซงของปัญญาพิจารณาการมากมายถ้าเราเข้าเรื่อจุดหนึ่งก็ถือให้รวมส่วนมมันถึงหนึ่งเข้าถึงหนึ่งแล้วนั้นเป็นใช้ได้จะพาันเข้าใจอันนี้ละจรงพาสันนิษการที่กำหนดจดจำโดยอุบายเงียบขายและพิจารณาให้เข้าใจถูกต้องตามในนี้เพื่อผลประโยชน์สําเร็จความปะสมดังทูอธิบายมา